มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนตกะปัญหาจะตุทธวักมุสาวาทะครุละหุภาวะปัญหาที่เก้าถามว่าภิกษุ ต, ต้องสำปะชานะมุสาวาดนั้นตรัสว่าเป็นปาราชิก เหตุไรกลับว่าเป็นแต่ละหูกาบตดเล่าสมเด็จพระเจ้ามิลินปูมินทร์มีพระราชองค์การประพาทถามอีกเล่าว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระน า, าเกษตรผู้เป็นเจ้าพาสิตังเจตังพระกวตาสมเด็จพระมหากรุณาที่คุณอดุลโลกาจานยานสัพพันยูเจ้ามีพระพุทธดีกล่าวว่าสัมปชานะมุสาวาทนี้